ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งชามหนึ่งนี่เราเคยนึกบ้างไ้มว่ามันใช้น้ำเท่าไหร่กว่าจะได้ก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำถ้วยเดียวเท่านั้นนะมีคนก็คำนวณว่าก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเนี่ยใช้น้ำประมาณพันลิตรนะพันลิตรพันลิตรนี่มาจากไหนนะในเมื่อน้าที่เรากินจากชามก๋วยเตี๋มก็นิดเดียวเอง ก๋วยเตี๋ยวนี่มันก็ทําจากแป้งนะแป้งก็ทําจากข้าวข้าวมันก็ต้องใช้น้ําในการปลูกยังไม่นับถั่ว ง, งอกยังไม่นับพวกเนื้อลูกชิ้นนะไม่ว่าจะเป็นหมูหรือเนื้อนี่พวกนี้มันก็ใช้น้ําทั้งนั้นมันกินน้ําแล้วเวลาเลี้ยง เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูนี่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ธัญพืชนะไอ้ธัญพืชพวกนี้ก็จะปลูกได้ก็ต้องใช้น้ํำนะเบื่งหลังกว๋วยเตี๋ยวนี่มันใช้น้ําเยอะมากนะยังไม่นับถึงแรงแรงงานที่ใช้นะบางคน ค, คิดว่านี่โหยพันลิตรนี่ก็เยอะแล้วนะถ้าไปเทียบกับแฮมเบอร์เกอร์แล้วนี่คิดซ้ายเลยนะแฮมเบอร์เกอร์ใช้น้ําเท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งหมืหนึ่งพันลิตรนะสิบเ็ดเท่าของกว๋วยเตี๋ยวนะ พ่อไร่นะพราะมันทําด้วยเนื้อนะแล้วก็นเนื้อวัวอันนี้เขาก็เลี้ยงที่เมืองนอกเขาก็เลี้ยงด้วยถั่วเลี้ยงด้วยธัญพืชธัญพืชเหล่านี้มันก็ใช้น้ําเยอะเหมือนกันเนะขาประมาณว่ามันต้องใช้ธัญพืชเนี่ยประมาณไม่น้อยกว่าห้ากิโลนะกว่าจะ แปลสภาพมาเป็นเนื้อหนึ่งชิ้นให้เราได้กินนะในแฮมเบอร์เกอร์และธั ญ, ญพืชเหล่านี้เนี่ยไปปลูกที่ไหนนะก็ปลูกในพื้นที่ที่เป็นเขตป่าถางป่าเพื่อที่จะปลูกถัว่วผุดธั ญ, ญพืชเพื่อเลี้ยงสัตว์แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งก็ใช้พื้นที่ป่าประมาณห้าตารางเมตรนะโดยเฉลี่ยนะพื้นที่ป่า ที่ถูกทำลายไปแล้วนี่ฟื้นกลับมาไม่ได้เลยเพราะว่าป่าที่ปลูกกับป่าธรรมชาตินี่มันต่างกันเยอะในการที่แฮมเบอร์เกอร์มันใช้น้ำถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันลิตรนี่มันก็เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่าชีวิตของคนสมัยใหม่เนี่ยเบื้องหลังนะของความสะดวกสบายเรื่องเบื้องหลังความ อ, าอร่อย ของเรานี่มันคือทรัพยากรมหาศาลเลยซึ่งที่จริงก็คงไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวนะอาจจะรวมไปถึงพลังงานอื่นๆมากมายแลวถ้าเรามองต่อไปนะไม่ใช่แต่ว้ยเติยวหรือแฮมเบอร์เกอร์เท่านั้นนะสนนุนหนทางตึกรามบ้านช่องไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยเบื้องหลังของมันก็คือทรัพยากร เช่นป่านะเมืองไทยเรานี่การที่จะมีเงินมาพัฒนาสร้างถนนหนทางนะสร้างเขื่อนอะไรต่างได้นี่มันก็ต้องอาศัยสมัยก่อนต้องใช้การส่งออกนะส่งออกอะไรนะส่งออกไม่ใช่แค่ส่งออกข้าวนะส่งออกพวกต้นไม้ไม้สุงไม้สักไม้มะก่าไม้ตะเคียนนะสมัยก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องหลังของความเจริญความสะดวกสบายของพวกเราคนในเมืองเนี่ยมันก็คือป่าทำลายป่าเพื่อที่จะได้มีเงินตรานะมาใช้ในการพัฒนาประเทศที่นี่เนี่ยนะแต่ก่อนก็เป็นป่าที่ครึมนะแล้วก็ หนานแน่นมากนะไม้ต้นใหญ่ๆหลายคนโอบนะแต่ว่าก็ถูกโค่นนะถูกทำลายนะโดยบริษัททำไม้นะก็เพื่อเอาไปส่งออกได้เงินตราต่างประเทศมาพัฒนาบ้านเมืองพัฒนากรุงเทพฯห้เจริญอันนี้แหละก็คือนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะความสะดกสบาย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสำเนียกหรือตระหนักอันนี้ไว้นะเราก็จะได้รู้สึกสำนึกในบุญคุณขอ ง, งธรรมชาติและขณะเดียวกันการบริโภคการใช้สอยสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะบริโภคใช้สอยด้วยความรู้สึกประหยัดนะไม่บริโภคใช้สอยด้วยความฟุ่มเฟือย แต่มันก็น่าเศร้านะก็น่าเสียใจนะถ้านั่งที่ทรัพยากรถ้าน้งที่อาหารที่เราผลิตมาเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะมากแต่ความจริงก็มีอยู่ว่าอาหารที่ผลิตเนี่ยถูกทิ้งถูกทิ้งโดยที่ไม่ได้มีการบริโภคไม่ได้มีการกินเลยเนีย่เยอะมากนะ ก็ประมาณว่าเนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยผลิตอาหารประมาณสามพันล้านตันแต่ว่าที่เสียไปโดยที่ไม่ได้กินไม่ได้ใช้เลยประมาณหนึ่งพันล้านตันหรือหนึ่งในสามไอ้พวกนี้เนี่ ย, ยกว่าจะผลิตขึ้นมาได้ก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากใช้น้ำมหาศาลใช้พลังงานมากมายเช่นใช้ในการขนส่งน้ำมันก็มีจำกัดนะ เดี๋ยวนี้ก็สง่งนส่งกันข้ามประเทศข้ามทวีปเลยแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะเพราะว่ามันถูกปล่อยให้เน่าเสียก็มีตั้งแต่ต้นทางก็คือไร่ตั้งแต่ต้นทางคือนาหรือสวนบางทีแอปเปิลเนี่ยมันไม่ได้ขนาดก็ทิ้งนะหรือว่าถ้าผลไม้นี่มันเยอะไปมันเขากลัวว่าเก็บมามันจะล้นตลาดทำให้ราคาตกเขาก็ไม่เก็บ ก็ปล่อยให้มันเน่าเสียไปอย่างนั้นแหละในสวนในไร่หรือบางทีเผานะี่นะเผาทิ้งเลยนะเพื่อรักษาราคาให้มันไม่ตกนะเนี่ยท่าที่มีคนอดอยากหิวโหยนะหลายร้อยล้านคนแต่ว่าอาหารที่ถูกทำลายทั้งด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจตั้งแต่ต้นทางก็คือไรนาสวน มาถึงร้านแล้วเนี่ยร้านนี่เขาก็ทิ้งนะบางทีมันเหี่ยวหน่อยนะหรือว่ามันเอ็กซ์ปแล้วนะเขาก็ทิ้งนะฉะนั้าทางที่เอาไปกินก็ยังได้ส่วนคนที่ซื้อมาซื้อมาก็ซื้อมาเยอะๆเก็บไว้ในตู้เย็นเสร็จ แ, แล้วก็ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งเหมือนกัน อันนี้ก่อนที่จะมาปรุงเป็นอาหารนะปรุงเป็นอาหารแล้วกินไม่หมดก็ทิ้งเนี่มันมีหลายขั้นตอนมากเลยนะที่อาหารถูกปล่อยให้สูญเปล่าสูญเสียไปโดยที่ไม่ได้ใช้เลี้ยงผู้คนหรือว่าแม้แต่เลี้ยงสัตว์นะคนก็อดอยากหิวโหยก็ตายกันไปเยอะนะแต่ว่าในทังขยะ น, นี่มีอาหารที่ถูกทิ้งมากมายอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเมืองนอกนะเมืองไทยก็เยอะนะ แม้แต่ที่นี่นี่เราก็อาหารจำนวนมากมันก็ทิ้งเหมือนกันเพราะว่ากินไม่หมดนะหรือว่าตักไปแล้วตักเกินเอาแค่น้ำก็แล้วกันน้าเนี่ยที่เราเราลินเนี่ย <c oughs> บางคนนิสัยก็คือชอบลินน้ำเต็มแก้วแล้วกินไม่หมดก็ทิ้งไอ้นี่มันไม่ใช่น้ำฝนนะมันเป็นน้ำที่มาจากขวดซึ่งละขวดนึงก็สิบบายเข้าไปแล้ว ไอ้ที่ทิ้งไปโดยที่ไม่ได้กินเลยเนะี่ยคิดเป็นเงินก็บางทีห้าบาทก็มีสามบาทก็มีทิ้งไปเลยนะน้ำจิ้มอีกต่างหากนะน้ำจิ้มเดี๋ยนี้ก็อ่าไปกินที่ไหนก็มีน้ำจิ้มพวกนี้คิดเป็นเงินทั้งนั้นแต่ว่ากินไม่หมดก็ทิ้งเนี่ยถ้าเรามองดูนะว่าของพวกที่กว๋วยได้มานี่มันใช้ใช้น้ําใช้ทรัพยากรใช้พลังงานเยอะมากแต่ถ้าเรากินอย่างคุ้มค่ามันก็ยังพออ่า พออ่าก็ยังก็ยังเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่านี่กับทิ้งสิ่งกนะแล้วทิ้งเนี่ยมันนอกจากมันไม่ใช่เป็นการซับประโยชน์มันไม่ใช่เป็นการใช้ซับระโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้วพอเป็นขยะมันก็เน่าเสียเกิดมลพิษขึ้นมาอีกมากมา ย, ยาสมัยนี้นี่เราเรามีกินมีใช้มากจนกระทั่งเราไม่ได้เห็นคุณค่าของมันหรือว่าไม่ได้มองให้ลึกซึ้งว่ามันมัน สิ้นเปลืองทรัพยากรมากแค่ไหนท่านั่งที่มันก็มีจํากัดน้อยลงไปทุกทีอันนี้ก็ต้องตระหนักบ้างต้องสำเนียกบ้างนะเพื่อที่จะให้ชื่อของเราการบริโภคของเรานะมันก่อผลเสียต่อสิ่งวัลล้อยที่สุดหรือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโลกให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นการปฏิบัติธรรม้วยการมีสติด้วยความสํานึกรู้ว่าต้นทาง มันมาจากไหนและปลายทางมันคืออะไรเพืนะ่อจะได้ไม่ก่อปัญหานะกับโลกหรือว่าไม่ไปเบียดเบียนธรรมชาติการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องตระหนักถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจแล้วก็รู้ทังสิ่งแวดลอ้อมหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยการบริโภคหรือการใช้ชีวิตของเราเตรียมรับพร